ติดตามฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญเรื่องต่อไปของเราสายของคุณคิงครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ๊ดโอ้โหนะฮะคุณคิงตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยที่เดิมครับสะแก้วครับยังไปไหนไ็ได้เพราะว่ายังต้องทำสาราสนมนอยู่ครับผมยังทำอีกนานไหมครัเนี่ยก็น่าจะนานครับเพราะทคนเดียวหรอทาคนเดียวทาสารานี่นะครับ สาราทั้งหลังเลยคุณคิงครับก็าทํำให้การสัมฤทธิตรงที่เขาไม่มีอะครับโอ้โห و, สุดยอดฮนะอูกอาจเสร็จนี่ใช้เวลานา น, านเลยนะคงจะนานนะโอ้แล้วตอนนี้สาแก้วอากาศเป็นไงบ้างคุณคิงฝนตกอยู่ไหมฮะฝนนะครับพี่ตากะปูดที่ตะปูตาฝนทุวัวววววลเลยผมเลยโอโ้ตกทุกวันเนาะโอโ้สุขภาพนะคุณคิงนะสําคัญนะค ร, ครับผมนะครับมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณคิงเนี่ยไปรับฟังมา นะครับจากใครครับเรื่องนี้พีแจ็คจห้องนั้นที่ผมเราให้พี่ฟังได้ไหมครับว่ามันมีคราบเลือดจําได้นี่แหละห้องนี้แหละเอาเหรอครับคือหลังจากที่ย้ายออกมาแล้วถูกป่ะครับแล้วก็ไปตามหาประวัติของห้องนี้มาจะบอกว่าตามไหมพี่คือผมอ่ะสนิทกับพี่มาไซวินคนหนึ่งตั้งแต่ที่ไปอยู่ที่นั่นเลยนะแกเป็นคนเริ่มต้นในการที่หาห้องเนี้ให้กับผม และแกก็เป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่แกก็ไม่พูดจนผมเนี่ยถามว่ามันมีอะไรไหมแกก็เลยถามผมย้อนมาว่าแล้วเราไปอยู่กับมีทำ ไ, ไมก็เล่าให้ฟังอังนนี้ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังแหะแกก็บอกอืมเดีย๋ยวพี่ต้องเอาเอาต้นชนปลให้มันชัดเจนก่อนอแล้วพี่จะโทรกับเล่าให้เราฟังครับผมเพิ่งฟังก่อนหน้าเข้ารายการพี่เนี่ยก่อ น, น่าจะโทรมาคุยกับพี่เนี่ยโอ้โหแสดงว่าเรื่องนี้เพิ่งได้ฟังมาสดๆนี่เลย ใช่ครับโอ้อ่ะน่าสนใจครับเรื่องของห้องที่ว่านี้ประวัติห้องหลอนที่ว่านี้เป็นยังไงคุณคิงเริ่มเลยฮะเอ่อห้องนี้นะฮะอันนี้เราก็ต้องไม่ไม่บอกสถานที่กันแนละ้วเนาะก็คือมันเป็นห้องที่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวในตอนแรกออืมไม่เคยมีใครรู้เลยว่าเขาจะมีแฟนหรือมีอะไรยังไงที่ไหนแล้วก็ทำ ง, งานอะไรก็ไม่เคยมีอะไรสนใจเพราะว่าชีวิตของคนที่อยู่ห้องเช่าครับมันจะที่อื่นก็มีมาจากต่างอำเภอก็มีออื อยู่ด้วยกันแล้วก็ท่านี้ในการที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ย น, น, นานๆจะมีเพื่อนมาด้วยทีหนึ่ง ท, <ะ>ทุกคนก็จะเป็นเรื่องปกติเองเป็นเรื่องปกติว่าเออผู้หญิงมันก็ต้องมีเพื่อนบ้างมีอะไรบ้างอืมแต่ก็ไม่เคยเห็นเพื่อนผู้ชายเลยค<ะ>รับมีสิกับคำบอกเล่าของมี่หมอชัยวินนะอืมแล้ววันหนึ่งน้องคนเนี้ยเขาก็หายไปอืมแต่แต่ที่หายไปนี่คือใจข้างห้องเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำธุระ เพื่อนอืมเพราะว่าเขาจะต้องบอกกับคนที่อยู่ข้างหน้าออกเหมือนเป็นคนดูแลเพราะที่นี่มันมีแบ่งทั้งเป็นรายวันและรายเดือนอืเราต้องบอกให้ทราบเผื่อใครมาหาใครอะไรจะได้บอกออกเขาไม่อยู่ห้องไม่อะไรแต่ปรากฏว่าเขาไม่กลับมาเลยอืมคนที่เขาดูแลหอเนี่ยจะเป็นผนะู้หญิงแซเว่นเนาะเขาก็จะเป็นค่านท่านค่อนข้างจะเป็นห่วงแหละค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็คอยถามหากับคนแถวนั้นว่าน้องห้องนั้นม า, มาหรือยังน้องห้องนี้มาหรือยัง ก็ม like ีคนบอกว่าเราประตูแอตตบดึงๆเนี่ยก่อนที่คนดูแลหอเนี่ยเขาจะกลับเพราะว่าเขาจะอยู่ถึงแค่ประมาณสักค่มกว่าๆเขาจะกลับครับก็จะมีคนที่เป็นยามคือเป็นลุงแต่แก่เนี่ยมาเฝ้าอยู่กลางคืนต่อโดยที่เขาจะมีสวัสดิการให้กับคนที่เป็นยามก็คือจะมีกระติ่งร้อนเสียบไว้ให้ตลอดคืนและมีกาแฟให้ชงตลอดสำหรับคนที่มาพักอรายวันกินได้ตลอด เขาคิดได้ตลอเวลาด้วยเขาก็จะบอกว่าเขาจะเห็นน้องคนเนี้ยอย่างเขาบอกเห็นนะอืจุงเห็นอยู่เห็นเขาลงมากดล้อมๆ้อนกินมาม่าอยู่ไอ้กรติกน้ำร้อนไปนี้แหละที่ผมบอกว่าผมให้น้องสาวผมลงไปกดให้นะครับท่านี้เขาบอกว่าเขาเห็นเห็นเห็นอยู่ว่ามีคนมามีผู้หญิงคนเนี้ยห้องเนี้ยมากดน้ำร้อนเหมือนกินมาม่าจีน่าอยู่ปกติแต่งตัวเหมือนเดิมเลยใส่กางเกงขาสั้นใส่สืก้ามลงมาอย่างเงี้ย ว่าเขาเห็นทุกคือแล้วทําไมทุกคนบอกว่าล็อกห้องนคนที่ดูแลห้องก็เลยคิดว่าโอเคเขาคงจะอยู่หลกักกลางคืนแล้วมากลางวันก็คงไปทําอะไรแล้วกลับมาเด็กก็ไม่ได้เจอเขา mm hmm. ขเขาก็เลยไม่ได้ติดใจที่จะถามเขาอะไรออ mm ื hmm. จนวัน เ, เนี้ยมีคนเขาได้กลิ่นแปลกเขาก็เลยเปิดงัดทุกอย่างเขาไปดูตามแบบสไตล์อย่างที่เราเข้าใจกันเลย mm hmm. ใคอๆมองหน้า ว่าไม่ได้มีแค่ศพของผู้หญิงคนนี้คนเดียวอมีศพของผู้ชายอยู่ด้วยอ้าผมฟังนี่ผมก็งงนะว่าพี่ผมไปอยู่พี่ผมไปอยู่ห้องนั้นมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวรือว่าไม่ใช่ศพเดียวใช่ไหมเขาก็บอกใช่มันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายตายทั้งคู่คแต่จากการตรวจคือผู้หญิงตายก่อนแล้วผู้ชายตายทีหลังอน่าจะห่างกันราวๆสองถึงสามวันแปยกนะแปลกฮะ แปลกคือสองถึงสามวันแน่นอนว่าศพอ่าถ้าสมมุติว่าอยู่ด้วยกันสองคนคนนึงเสือ<ช>ไปก่อนหน้าสองถึงสามวันแน่นอนว่าศพอืดแล้วนะครับ<ช>อยู่กันยังไงและอีกคนหนึ่งคือคนทั้งตึกไม่มีใครเห็นว่าเขามายังไงเข้ามาตอนไหนถูกไหมมันเป็นอย่างนี้ครัออคือผู้หญิงคนนียเขาอยู่คนเดียวอือแล้ว จริงมันจะแดงทั้งหมดนะ อ, อะาหลังก่อจากันเนี่ยความจริงมันแดงทั้งหมดแหละลุงวันยาแล้วเขาก็บอกว่าก่อนที่เรื่องมันจะแดงเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนเนี้ ม, มานั่งกับเขาแล้วบอกว่ามาหาแฟนแฟนให้มาหา <c oughs> จริงจริงอะผมมีปัญหากันอยู่คือขอท้องแต่ผมมันยังไม่พร้อมแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่รับเขานะออผมก็เป็นผู้ชายแน่แหลกก็รับเขาแต่ว่าเรื่องลูกอะผมยังไม่พร้อมแต่ก็ไม่คิดที่จะไปทําแท้งแบบคลินิกเถื่อนนะที่จะไป สาปัญหาครอืครที่เขามีรับปรึกษาอย่างถูกต้องนะนะแต่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ยอมเขาพนันให้แบบว่ามาอยู่มาเคลียร์มาคุยกันอืมก็เลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมทําอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้เพรามว่าทั้งพ่อแม่เขาคงรับไม่ได้แต่เดี๋ยวจะไม่อยู่ที่นี่ด้วยครับแล้วผมมารอนเนี่ยผ ม, ม, ามาก็มานั่งรอกับลุงเนี่ยแล้วระหว่างที่นั่งรอเนี่ยลุงจะบอกแกก็ไม่เห็นใครนะอืแต่ผู้ชายคนเนี้ เ, เคิเขาเรียกชื่อของผู้หญิงนั้นตลอดอืมเหมือนว่าเอา้า มาแเดินไปไหนเมื่อกี้เห็นไใ้รับเองลุงลุงเห็นไหมอุงไม่เห็นกขาังคุยกับเราอยู่เนี่ยไหนไม่เห็นลงมาเลยแล้วทำไมไม่เดินไปหาที่ห้องเขาบอกให้รอที่นี่สักพคุณคงแล้วก็บอกเห็นลงมากดน้ำร้อนน้ำมาเราไม่เดินตามไปอะผมยังไม่เห็นใครเลยอเพียงกันอยู่เงี้ยแล้วนั่งกันไปนั่งกันมาลุงกัแกก็บอกว่าเดี๋ยวลุงไปเดินตรวจกันเนาะแกก็ไปเดินตรวจเดินตรวจเดิพอกลับมาผู้ชายคนนี้หายไป <c oughs> ยพี่แจ๊คครับการเดินตรวจจะต้องเดินในชั้นบนไล่ลงมางล่างออื ถ้าผู้ชานนี้ขึ้นไปบนตึกลุงต้องเห็นหรือกล้องต้องจับภาพได้ถูกแต่นี่ไม่มีอะไรจับภาพได้เลยลุงก็ไม่เห็นอา้าววงจรปิดไม่บันทึกภาพไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้เดินเข้ามาข้างในใช่ครับอออ๋ อ, อแต่ศพไปอยู่ตรงนั้นน่ะอเฮยแปลกว่ะแปลกครับแปลกอืมอืมแปลแล้วสิ่งที่มันเป็นเรื่องหลอนก็คือคนอย่างเช่นฝรั่งที่เขาจะมาพักอาะไรวันข้างบนชั้นบนบนไปสิ เขามัจะพูดกันเป็นเสียงเดียวมันจะมัดจะโดนเฉของฝรั่งเลยแล้วเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ได้ข่าวว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมัดจะโดนเฉพาะฝรั่งว่ามีผู้หญิงมาทำตัวเหมือนเป็นพนัก ง, งานต้อนรับออืไม่ใช่ขายบริการนะแต่เหมือนมาต้อนรับมาแนะนําว่ามีน้ําร้อนยตรงนี้มีซึ่งคนนี้เขาดูแลจริองอเขากลับไปแล้วออืแม้แต่ลุงคนที่เป็นยามก็ยังโดนแกบอกว่าวันนั้นแกนั่งหลับยามคือลุงจะแกะเหมือนให้ให้มาเฝ้าเฉยเอย่าก็หลับได้โอ้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ขอว่าเวลามีใครจอบไปไหนเงี้ย ให้ลุงตื่นดูบ้างใครเข้ามาแปลกๆลุงตื่นดูบ้างแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละครับทีนี้ในขณะที่แกหลับแกก็โดนอยู่กัดแกก็เลยไปเปิดรถกระบะเก่าๆของแกนอนในรถครับตอนนี้ยังไม่เจอศพนะออืตอนยังไม่เจอศพมีเสียงคนมาเดินขอรถป้องป้องป้องรอบๆครับแกก็รู้ขึข้นมองว่าใครมาเรียกหอะไรยังไงหรือว่าคนมันมามันไม่รู้ว่าแกาอยู่ในรถหรือมันจะมาทําอะไรไม่ดีมีอะไรเพรารถแกนะ่ะ มันก็เกา่านะแต่ไม่รู้มันจะขโมยไปทำอะไรอะไรหรือเปล่าแกก็เลยนั่งมอ ง, งเงียบๆอยู่ตรงไหนแล้วก็มือก็ถือไฟฉายอนันยาวๆไว้แน่นเลยกะวใครเปิดมาในหัวอย่างเดียวก็กมไม่มีอะไระแกก็หลับต่อแล้วแกก็ยามมองแล้วไม่มีอะไรนานสักพักแก็หลับต่อเปิด ต, ต่อใหม่ครับต้องป้องต้อ ง, อ ง, อ ง, องแล้วไปงานรั้ น, มนดมาหยุดหน้ารถออืพอหยุดหน้ารถเสร็จปุ๊แกก็ตอดถินใช้เปิดไฟใส่มันเลยครับจะดูได้ถ้าเราเป็นใส่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยยินยิ้อ ยิ้มเสแล้วก็เดินลงไป ล, งลุงเขาว่าออไอยน่ที่มันทําตัวประหลาดด้วยเลยนแกคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยอ่าด้วยความที่สนิทอะความเป็นผู้ชายอ่ะนะ<ถ>ับแกคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะแบบคิดอะไร ก, กับแกเป่าหรือว่าอยากจะเพราะว่าในในย่านแล้วมันก็มีคนที่ทําเรื่องอย่างว่าเยอะแล้วพี่แกก็เลยสงสัยคงจะคาดใช้จ่าย แต่แกก็ไม่กล้าเพราะว่าหนึ่งแกอายุมากแล้วไงแต่แกก็ไม่รู้แกบอกว่าแกกลัวเหมือนกันว่าจะไปโดนเล่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้แกก็ไม่ตามไปแต่ในขณะที่แกเปิดไฟอยู่อะและ้วเด็กผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเดินขึ้นบันไดขึ้นไปเลี้ยวทางซ้ายมือปุ๊บมัจะเป็นห้องกระจกของคนที่เขาเป็นคนดูแลครับเลี้ยวขึ้นไปเนี่ยหลังห้องกระจกมันจะเป็นตกอะไดาทางขึ้นพอเลี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเห็นเขาเลี้ยวเอาว้แต่แขนที่เลี้ยวไปมันเหมือนมีอีกคนเงยยืนรออยู่แล้วในแขนตะหวัดต่อว่าจากมุมนั้นอะ เหมือ น, นว่าอ้าไปสองคนแสดงว่าแฟนมันยืนรออยู่นั่นอื้ยแล้วทำไมพาคนเข้าไปข้างในไอ้หอพักหลายเดือนเนี่ยจะต้องบอกว่ามีใครมาเพิ่มเติมหรือใครมาฝากเพิ่มครับแล้วตอนที่หนุ่มนั่นมันไปก็ไม่เห็นมีใครบอกแล้วขึ้นไปอยู่กันมากี่วันแล้วอืจนกินมันออกแล้วหละอแล้วเขาก็เลยใครเข้าไปดูสรุปว่าคนตายอ่ะตายอยู่ด้วยกันศพอยู่ด้วยกันหายแปกที่ว่าผู้หญิงอ่ะ น่าจะศพน่าจะตายก่อนสักสองสาวันอันนี้ก็ไปถึงข้างฝ่ายชายฝ่ายผู้ชายก็คือพ่อแม่เขาก็บอกว่าผู้ชายเไงมีการแต่แปลกเหมือนว่าบอกว่าแฟนมาตามให้ไปหาตอนนี้ก็น่าคุยอยู่ดี๋ยมันเล่าหมดที่แฟนมาบ้านแม่ไม่เห็นเลยทุกคนนี่มีข่าเห็นเลยผู้ชายที่ทำการแต่แปลกจนในทสุดก็มาฆ่าตัวตายอยู่ที่เนี่ครั <Okay. S 2> แล้วแปกไหมครว่าศพมาขึ้นมาอยู่บนนั้นได้ไงกันใช่อ่ะดิเดี๋ยวนะ แสดงว่าต้องหาคําตอบไม่ได้เนี่ยครับแสดงว่าตอนที่เจอศพศพอยู่บนฝ้าเพดานจริงๆหรอสองคนเหตุใดนั้หมายผมคิดเอาแค่ว่าเอาออกมาศพหนึ่งแล้วอีกอีกช่องนึงที่เปิดว่าสองคนเนะี่ยอีกช่องหนึ่งกล่าว่าที่ที่กล่าวว่าประมาณสองคนคือเอาศพลงกับคนที่โผล่ขึ้นมาศพแต่นี่ไม่ใช่แนละ้วเขาเจาะสองสองลูปไปขนาดออกสองคนได้นะเพราะออนมีสองศพเฮ้ยเดี๋ยวนะมันฟังแล้วมันมันพิสดารไปนะใช่ครับ ผมก็ยังบอกว่ า, าจริงเลยพี่เขาบอกจริงแล้วมันหาคาตอบไม่ได้เลยว่าศพมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงถ้าจะมีคนทําทำไมมันถึงทำผู้หญิงก่อนแล้วถัดมาของเรามันฝ่ายทผู้ชายแต่ล่องลอยของผู้ชายเนี่ยเป็นร่องลอยของกางฆ่าตัวตายแล้วทำไมฆ่าตัวตายแล้วศพถึงเดินขึ้นไปอยู่ข้างบนเองก็ใช่อ่ะดิมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ดี๋ ด, ด, ด, ด, ด, ดอีอ่าเขาฆ่าตัวตายด้วยวิธีการแบบไหนรู้ไหมฮะปาดคอครับปาดคอแทงไม่ใช่ปาดแทงคอตัวเองทั้งคู่เลยอ่ะ ผู้หญิงนี่ผมไม่ได้ถามแต่ผู้ช่ยแทงคอตัวเองคนอะไรจะฆ่าตัวตายด้วยการแทงคอตัวเองนึกยังเสียวเลยใช่ไหมพี่ใช่คือเขาถึงได้มองว่ามันเป็นเรื่องประหลาดแต่เขาจับมือใครลงไม่ได้คือปาดคอปาดคอเนี่ยยังพอเคยได้ยินผูกคอยังเคยได้ยินกินยาเคยได้ยินแต่แทงคอตัวเองผมไม่เฮ้ยมันแล้วแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของคดีความใช่ป่ะอันเนี้ย อันนี้ผมไม่ได้ถามเขาครับแล้วมานานแค่ไหนแล้วผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตลอดเวลาที่ผมไปอยู่ที่นั่นแลพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดขอย้อนไปสี่เรื่องอนแรนิดหนอ่งวันแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยเพราะผมเห็นอย่างนันปุ๊บเนี่ยผมตัดใใสินใจเล่าเรื่องผีที่ผมเล่าให้พี่ฟังเนี่ยย้อนอีกนิดนึงนะครั บ, รบกลับมาตรงนี้ที่เดิมว่าทีผมเจออะไรบ้างแล้วไอ้ห้องทางฝั่งซ้ายมือซึ่งกลางวันเราเห็นเนาะมันปิด ne ทุกห้องเลยตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ย ไปยืนถึงขวามือเนี่ยเราจะมองไปเลยได้อย่างมากสุดก็คือห้องเดียวต่อจากเราไอห้องแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เดินไปดูหรอกว่ามีคนอยู่หรือไม่มีครับทุกห้องใส่กุญแจหมดเท่าที่สายตาเราเห็นอืมอืมและในขณะที่ผมเราเอาเรื่องผีอยู่เนี่ยคือผมก็มีคนชอบรองข อ, องพี่แจ็คก็เลยจะจะยินได้ฟังผมก็บ่นผมก็หลายครั้งนะครล่าสุดใกล้โรงแรมที่ผมว่าเนี่ยผมก็ไปนะอืมผมก็เลยบอกว่าเราเรื่องผีเลยถ้ามีอะไรเด็กก็รู้แหละถ้าจิตเรามปนกลัวมากๆใครในห้องสัมผัสได้บอกด้วยนะครับ คนว่าเล่า ๆ, ๆ, ๆอยู่มันมีเสียงคนเปิดประตูห้องทางฝั่งซ้ายมือก่นอนแล้วปิดอาการที่ปิดเนี่ยมันเหมือนกับพี่แจ๊คนึกภาพว่าคนล็อกลูกบิดเนี่ย<ถ>ล็อกแค่ปุ่มลูกบิดอะ่ะแล้วเวลาที่เขาจะดันประตูให้ปิดเนี่ยมันก็จะแข็งใช่ไหมละ่ะถูกมันก็จะปังประมาณอย่างนั้นแหละอ่าเสียงมบบอย่างนั้นครับ<ถ>เราก็ยังคุยกันเลยว่าเฮ้ยห้องข้างกลับมาแล้วออืจะดีใจขึ้นไหมว่อยู่คนเดียวมาทั้งวันเลยไวห้ห้องเดียวนะ แลไอ้ฝั่งกำแพงทางฝั่งขามือซึ่งมาเป็นในห้องผมแหละอันนี้คือด้านในห้องแล้วผมนั่งเล่าอยู่บนเตียงแล้วหลังได้พิงกําแพงอยู่ผมไม่ได้ยินเสียงคนตีใครแกะกะแกะแกะแกะอก็เถียงเปิดแกะแต่ก็คุยกันจนพอเล่าเรื่องเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไอนผมก็บอกเหมือนมีใครมาเกี่ยวเสื้อเพราเราปิดไฟแล้วนั่งเล่าในห้องแบบเงียบเงียบมืดมืดเลยนะพี่แจ๊คปล่อยให้ลูกผมนอนไปพอเล่าเสร็จ ไปชงกาแฟพี่เลยสิพี่จะวาดงานต่อแล้วเขาวาดแบบนะ น, น้องเขาก็ลงไปชงกาแฟมาให้ออืเข้ามาถึงก็หน้าตาตื่นแบบพี่เขาเรียกเขาเรียกพี่ไอ้แล้วท่านี้เราพี่อ้เมื่อกี้เราได้ยินเสียงประตูห้องเหมือนกันใช่ไห ม, มใช่แล้วเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าคนมาแล้วทางฝั่งพี่ก็มาแล้วมันตีไข่ใช่ไหมครับใช่แต่หนูจะบอกอะไรให้มาว่าทุกห้องยังล็อกอยู่เหมือนเดิมอ้าวไม่มีคนอยู่ ใช่ครับแล้วกุญแจ็คคือหลังจากเหตุการณ์ที่น้องผมพูดเนี่ยผมก็ไปดูแล้วไปแจ็คคุณแจ็เป็นกระดิมทุกดอกเลยเพราะชามด้านล่ามันเนี่ยไม่มีอะไรบังถ้าฝนสาดก็คือโดนะครับแสดงว่ามันไม่ได้มีการไขมานานมากใช่ครับแล้วเรื่องที่ผมเจอเน่ะมันคืออะไรแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอองเนี่ยมันคืออะไรแต่ผมแปลกใจแล้วผมก็ค่อนข้างจะโกรธหลังจากที่ผมรู้เมื่อกี้ยวว่าทำไมถึงได้ให้ผมอยู่ที่อย่างนั้น ซึ่งเขาคนที่หาห้องให้คือพี่วินมอไซค์เขารู้อยู่กระจายอยู่แล้วเขารู้ว่ามีปัญหาแต่เขาไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรและไม่รู้ว่าเป็นห้องไหนไม่คิดว่าผมจะได้ห้องนั้นก็ห้องอื่นมีตั้งเยอะพี่แจคเขาไม่เปิดให้อ่ะอ๋อคือเขาไปแนะนําสถานที่พักให้ที่ตึกให้แต่ ค, คนที่เอากุญแจให้เนี่ย <c oughs> คือเป็นคนที่อยู่เคาน์เตอร์ดูแลที่นั่นก็ไม่ควรที่เอาห้องนี้ให้ แลแปกไหมครับคนดูแลปกติถ้าดูแลมันต้องมีเว้นสลับทั้งเช้าและกลางคืนออแต่นี่ก็คืนไม่มีเลยมีแค่ยามแก่ๆ แ, และแก่มากเลยต้องบอกว่าเจนโล็ถึงจะอยู่ได้ อ, อ, อ, อคือถ้าเรามาวิเคราะห์กันอ่ะเมื่อกี้คุณคิงพูดไว้น่าสนใจเรื่องนี้คือผู้หญิงเสียชีวิตก่อนสองถึงสามวันหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับหลังจากนั้นผู้ชายเสียชีวิตตาม เป็นห้องสถานที่ปิดเอ่อมันผมไม่รู้ตรงนั้นแนหะแต่เขาบอกว่าประตูมันล็อกอยู่แล้วไม่มีใครเห็นผู้หญิงในเวลากลางวันซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันต้องล็อกนะอแหละและทุกคนเข้าใจว่ายอย่างนั้นแล้วผู้ชายเข้าไปได้ยังไงโอ้โหมันมันซับซ้อนมากเลยนะคือจะบอกว่าเอาถ้ามองในแง่มุมของการทะเลาะกันก่อนผู้ชายฆ่าผู้หญิงฆ่าผู้หญิงเสร็จปับ๊บอันนี้มองในแง่มุมของการทะเลาะ ก, กันนะ ผู้ชายฆ่านะผู้หญิงแล้วเอาศพขึ้นไปไว้บนบนบ น, บนฟ้าเพดานครับหลังจากนั้นเป็นไม่ได้ไหมครับว่าเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะก็อาจจะสํานึกได้หรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะปีนขึ้นบนฟ้าเพดานแล้วฆ่าตัวตายบนนั้นเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นไปได้พี่มาที่ยามเห็นละและที่คนทุกคนเห็นที่เขาเดินพูดเปี่ยนกันละเออเออเ อ, อ้ยคือเอาจริงๆนะด้วยการที่ คนเราจะฆ่ากันจะฆ่าคนตายหรืออะไรก็แล้วแต่อถ้าสมมุติว่าเอาศพขึ้นไปไว้บนฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยแน่นอนมันก็ต้องหนีออกมาหรืออาจจะต้องนั่งทําใจหรืออาจจะสมมติผิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่คนเราถ้าจะฆ่าตัวตายจริงไม่จําเป็นต้องปีนขึ้นบนฝ้าเพดานเพื่อไปฆ่าตัวตายตัวนั้นตามถูกมไหมฆ <Yeah. S 1> ่าได้ไปในห้องก็ได้ไง ่ิดถ้าจะทำถ้าจะทำแล้วมีความสำนึกผิดผมว่าน่าจะทำตั้งแต่วันแรกที่ผู้หญิงตายเออไม่น่าทิ้งไว้สองสามวันครับโอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมฟังพี่มรทวินผมก็งง้วแกก็บอกแกก็งงแกฟังมาทีแกก็งงแต่แกก็เล่าได้ตอนเนี้ยแล้วกระจกหมอกกับเรื่องที่ผมเจอคือคือผมรู้ว่าพี่แจงว่าห้องนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนาทุกครั้งที่เราอาบน้ำอ่ะ เขาาาควรทำรูปแบบเดียวกันแล้ว พอเวลาครับพอเวลาทีเา่เขานั่งซ่วมมันก็จะเหมือนมีคนยอยู่ในโซนที่เป็นโซนที่อบหน้า <c oughs> พอเวลาเขาอยู่ตรงโซนที่อาบน้าเนี่ยมันจะเหมือนมีคนชงโอ๊กจ่ายตรงโซนที่เป็นห้องซ่วมอ่ะ <c oughs> โดยที่เราไม่ได้คิดกันเองเพราะว่าถ้าคิดเองมันต้องเป็นแค่คนโสดแต่นี่มันเป็นทั้งห้องเป็นทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันอืม <c oughs> เออผมไม่รู้นะ ผมฟังมาทั้งหมดเลยอ่ะผมว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตามที่พี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นเล่านะครับแน่นอนว่ามันต้องมีการชนสูสีศพดูเจ้าหน้าที่ตํารวจผมว่าเขาอาจจะมีการสรุปคดีความหรือว่าคดีเนี้ยไปเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนอันนั้นน่าจะเป็นคําตอบที่ที่ที่ชัดเจนที่สุดแต่ตอนนี้เรามานั่งจินตนาการกันเรามานั่งเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในห้องนั้น เฮ้ยคนเราการจะทําอะไรสักอย่างมันต้องแบบซับซ้อนได้ขนาดนั้นเลยเหรอฆ่าตัวตายโดยการเอามีดแทงคอตัวเองเนี่ยนะแในใจผมคิดว่าถ้าผมถ้าผมคิดนะผมไม่ได้คิดมาก่อนเพิ่งคิดตรงนี้แหละเพราะผมเพฟังมาเมื่อกี้ถ้าถ้าผมคิดตรงนี้ถ้านผานผมผมคิดว่าน่าจะมีบุคคลที่สามเนี่ยผมก็เลยจะพูดว่าอ่ะเราผ่านเรื่องของการทะเลาะกันไปทีนี้เรามองมองถึงเรื่องของการฆาตกรรมจริงๆ สมมตินะฮะสมมุติอันนี้ไม่ใช่คดีความอะไรกูฟังอันนี้แค่สมมุติฐานเล่นๆความน่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับอ่ะผมมองในแง่มุมคล้ายๆคุณคิงคือถ้าสมมุติว่ามีบุคคลที่สามมันก็เป็นไปได้แต่บุคค ล, ลที่้ต้องมีสี่านะพี่เพราะถ้าสามคนเดียวเอาสองคนขึ้นไปไม่ไหวแน่มนไม่ไหวอ๋อแล้วผมว่าไม่รู้นะผมเป็นคนในด้วยเนาะ อืมผมว่าคนในผมว่าคนในที่คือไม่ใช่ลูกค้าขาจรแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นคนในฮะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าคนแปลกหน้ามาการที่จะเข้ามาในตึกโดยที่ไม่ได้มาแจ้งห้องพักหรือไม่ได้มาเช่าห้องพัก <c oughs> เขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้แปลกหน้ามา <c oughs> ถูกป้ายังไงกล้องวงจรปิดไม่ต้องจับภาพได้แต่เนี้ยเหมือนกับกล้องวงจรปิดมันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะ เออมันมองในเรื่องของคนในมากกว่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันจะโหทำเพื่อะอนนะไรผมฟังผมยังงงเลยผมยังคิดว่ากูจะเล่าถูกไหเลยคืนนี้แต่มันสับสนมาแต่ผมอยากจะเล่าเพราะมันสดร้นนอนๆมันเป็นเรื่องที่มันคาใจเรามาแล้วว่า ทำไมถึงเปิดฝ้าด้านข้างกว้างขนาดสอคนสองคนลงได้ออืแล้วมันมีคาบตัวนั้ลงมาได้การปาฟ้ามันปาแบบรุ่วๆอ่อป่าแบบลุ่วๆอ่ะทานทันไปก่อนครับเพราะว่าผมเคยเห็นที่รูกคิ้งกิงส่งมาให้ดูแล้วหูมันเป็นคาบแบบน่ากลัวมากนะคือแบบคาบอะไรวเนี่มันบุ้งรได้ขนาดนั้นไงแล้วแล้วผมถามนะครับอันนี้ผมตอบเลยตอบคําถามผมเหมีหลายคอมเมนต์มากหลายคำถามผมตอบทุกคนไม่ไหวหรอกเขาบอกว่า หลังคาล้วงเปล่าขอโทษนะฮะห้ อ, องมันอยู่ชั้นสองข้างบนเป็นสามสี่ห้มันเป็นแผ่นปุ่ยมันไม่ใช่ร้อนจากหลังาคาแน่ m, m. มันต้องเป็นอะไรที่มันถูกไปยัดไว้ข้างบนนะ่ะเฮ้ยแต่ผมมองว่าเหมือนคุณคิงมีบุคคลอื่นผมว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเองผมว่าฆ่าตัวตายเองเลยมันมองว่าเป็นอย่างนั้นนะคว่าไม่ได้ใจเพราะว่าพี่มอทัยวินแกก็เล่ามาเท่านี้เนาะแต่ว่าผมคือเพราผมเห็นค่าอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่ารอดตัวคือ ผมไม่ปลอดภัยนะผมใหญ่ดีกว่าผมคิดอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่า ม, มีทุกวันวิจัยราชโคกมันกดเองทุกวันการจ ะ, ะโคกจะกดเนี่ยถ้าเป็นไอ้แบบสมัยก่อนราชโคกที่มันเป็น เ, นเนไก่เล็กๆเนี่ยโอเคเราพอเข้าใจแต่อันี้เป็นราโคแบบคันโยกใหญ่อคันโยกเหมือนเหมือนรามโคกตที่สากานาไนอ้คันโยกใหญ่ายยายแข็งๆเนี่ยแล้วมันกดเองได้อลยเนี่ยนะเออ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่คุณคิงเขาไปอยู่นานแล้วหรือยังด้วยใช่เขาไม่รู้ันนานหรือยังแต่ที่แน่เลยถ้าตามบรราจาักรในสิ่งที่เราเคยฟังเคยได้ยินตำราตาราขรูบาอบาจารย์บอกอย่างว่าคนตายเนี่ยเชิญแล้วบาทีก็ไม่ไปนะครับบางีเขาพลาดอะไรรู้ไหมครัพี่แจ๊คอ๋ะ อ, ะอันนี้เป็นเป็นนิดนึงนะทีิผมฟังอาจารย์ผมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ตายสมมติว่าตายเวลาสองทุมใช่ไหมพี่ออื แต่คนที่ไปเชิญศพนะไปเชิญตอนหกโมงเช้าเจ็ดโมงช้าแปดโมงเช้ า, มชาไม่ได้ผลครับเพราะ<ม>ว่าจิตของเขาดวงสุดท้ายที่ตกรวังในการจะตายเขาหวาดเรื่องสุดท้ายอยู่ที่สองทุ่ ม, มแล้วคนพวเนี้ยเขาจะต้องทําเรื่องเดิมๆซ้าๆในเวลาเดิมครับฉะนั้นจะต้องไปก่อนเวลาเดิมที่เขาตายแ<ม>ปดเดียวเหมือเราไปตัดแรกเขาแปดเดียวแล้วเชิญเรากลับสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากคุณคิง คุณคิงเหมือนเข้าไปเหมือนดวงเนาะเหมือนจังหวะมันไปอยู่ในอย่างเงี้ยไปเจอที่อย่างเงี้ย ม, มันเป็นช่วงครับพ<อ>ี่แจเวลาที่ผมเจออย่างเงี้ยมันก็จะเจอเป็นลักษณะและอย่างล่าสุดก่อนหน้าที่จะเจอตรงเนี้ยผมก็เจอตัวของเจ้าของโรงแรมเองที่หนึ่งที่เขาท้ายผมไปนอนในห้องที่เขาบอกว่าโอเคอันเนี้มีประวัติเขายอมรับออแล้วเขาก็ปิดตายมาสามปีละอืมอยากให้ผมไปนอนหรืวมันมีอะไรไหม เอผมก็ไปไงคือผมก็ช่องรบละพี่ถามมาก็ไปอยู่แล้วอแล้วมันก็ได้เจอสนใจเลยเก็บไว้ก่อนนะเรื่องนี้นะอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งนะได้ครับพี่แจ๊ดแต่นี่เดี๋ยวจะขอนิดนึงว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กเลยคุณวีวีอได้คุยกับผมแล้วเขาได้รับรูปนี้ไปแล้วไม่รู้พี่แจ๊ดได้เห็นหรือยังเห็นละที่ฮ่องกงใช่ไหมใช่แต่เขาไม่โพสสูสูผมเสียดายมากกำลังถามอยู่เยวว่ม่ไหรเขาใจโพสตค่ะผมเห็นแล้วแล้วจะแหมะรูปเนี้ยคือตอนแรกผมเห็นนะ โอ้โห uh, oh, ผมพูดยากอะเอ uh, uh, มันเหมือนเงาสะท้อนคือถ้ามองในแง่มุมของความแปลกมันก็แปลกถ้าเขายืนยันนะว่า mm hmm. เอ้ยเขาอยู่ในห้องนั้นไม่มีคนอย่างเงี้ยอยู่ข้างแ น, น, น่นอนนะครัไมถึงไม่เห็นเงาของเขาเองแต่มาเห็นเงาคนนี้ชัดใช่ uh, แต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปที่เขาไม่เชื่อเลยเขาก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยแอปแต่งภาพทําแน่นอนอันนี้ต้องต้องต้องต้อง ต้องอยอมรับในการตัดสินใจของเขาแต่ถ้ามองในแง่มุมของความแปลกโหเฮ้เยเป็นผมนะถ่ายมาเจออย่างนี้นะผมไม่อยู่เลยนะยผ ม, ม่ได้เลยผย้ายนะแน่นอนครับหน้าตาแปลกอย่างนั้นเราจริงๆอะ่ะหน้าแบบว่าหน้าเขาดำอะ่ะแล้วมายืนสะท้อนกระจกให้เห็นน่ะซึ่งคนถ่ายนี่เป็นผู้หญิงถูกไหม เขาบอกว่าอันนี้คร่าวๆนะครเพราะว่ารูปเนี่ยเขายังไม่ยังยังไม่ตอบไว้ให้โพสหรือไม่โพสแต่ที่เขาเขียนส่งมาคือเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวเลยสามสีวันเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วมันจะมีเรื่องแปลกก็คือตรงนู้นดังตรงนี้ดังจะรู้สึกกลัวลูกเขารู้สึกว่ากลัวเหมือนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับวเขารู้สึกเหมือนสัมผสมัสได้คนที่เดินตามาสาบผมเหมือนมีคนเดินเข้ามาอืแต่แฟนบอกไม่ได้เดินหลับอยู่จนในที่สขึ้นี่ะไอ้โรงแรมเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่เขาขึ้นชื่อว่า บรรยากาศดีที่สุดแล้วก็จกเขาได้ทำความสะอาดเป็นใสนิ่งเลยครับครับถ่ายรูปมานี่บบว่าเห็นข้างนอก่แทบไม่สะท้อนเงาตัวเองแล้วเป็นจังหวะที่เขาปิดไฟนะมัอนจะออกไปไหนกันเนี่ยก็โอ้บรรยากาศสวยอะมัจริงอย่างนี้เขาพูดจริงด้วยทำความสะอาดดดีมากถ่ายรูปสโล่ยอือพอถ่ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยในรูปพี่แจ็จะเห็นว่ามันเห็นแค่รูปจากกล้องของเขาใช่ใช่แค่ไฟจากนั้นใช่จะไม่เห็นตัวเขาเพราะในห้องเนี่ยเขาปิดให้มืดหมดแต่หน้าไม้าเรูปนี้ก็ใช่ อมมติตรงชั้นนี้ไม่ใช่แอดนะครับแล้ว oh. มาเปิดเจอว่าก็เงาชั้นไม่มี oh. แต่ทําไมงาเอาแปะคนนี้มันลอยอยู่ข้างๆได้แล้ว oh. มีแต่หน้าด้วยครับคือถามว่าลูกนี้ oh. น่ากลัวไหมครูผู้ฟังครัน่ากลัวเล่าให้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อครูผู้ฟังไม่เห็นภาพแปะยังไม่ดูภาพไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของภาพยังไม่อนุญาตนะครูคผู้ฟัง oh. ครับคือเขาไปเที่ยวฮ่องกงนะครับแล้วก็เขาพักอยู่บนโรงแรมที่มันเป็นกระจกแล้วมันมองเห็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นวิกตอเรียเบย์ ตรงบริเวณด้านล่างที่เป็นแม่น้ําแล้วก็มีตึกเอาไว้สำหรับเล่นไฟถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะผมเคยไปยืนอยู่ตรงนั้นอังเคอบรรยากาศจะสวยมากไฟจากตึกจากอะไรนี่ยมันสว่างมากนะครับเขาก็ถ่ายรูปเอากล้องเนี่ยถ่ายรูปถ่ายวิวข้างนอกผ่านกระจกของโรงแรมตัวเองกระจกให้ใสฮะปรากฏถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพที่ต้องวี่เปิดให้บูแต่แรกผมก็นั่งดูอยู่แล้วบบเออเค้ยน่ากลัวคือรูปของเจ้าของที่ถือกล้องเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นฮะมันมืด แต่อายืนอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นหน้าของตะแตะคุณคุณผู้ฟังฮะหน้าแบบออกจริงเหมือนคนคนฮ่องกงอ่ะคือเห็นหน้าก็รู้ว่าคนฮ่องกงแต่เป็นหน้าขาวดายืนอยู่ข้างๆแล้วมองแบบตาขมิ่งอ่ะหน้าเหมือนหน้ารูปศพว่ายังงั้นเถอะใช่ใช่ใชอหน้าเหมือนหน้ารูปศพแต่แบบโหเฮ้ยน่ากลัวเออหน้ากลัวเลยออ นะครับคืออยากจะบอกว่าอยากโพสต์นะแต่เจ้าของรูปยังไม่อนุญาตนะครับก็ยังยังยังไม่โพสแดงสิ้นนะอันนี้ต้องต้องให้เกียรติเจ้าของรูปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าไปรอดูเขาจะตอบมันว่ายังไงถ้าได้เดี๋ยวโพสถ้าดูให้ไม่ได้โพสตก่อนเลยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าพึ่งมาขอรูปจากหลังใหม่นะครับรูปไม่ไอยู่ที่ผมนะรูปอยู่ที่มิวี่แล้วมิวี่ก็อย่าพึ่งให้ใครอย่าพึ่งให้ใคร นะครับคุณคิงไม่ได้ส่งมาในอินบ็อกของทางแฟนเพจใช่ไหมไม่ใช่ครับอ่าโอเคโอเคส่วนตัวของวีวีนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่ามาขอเอ้ยทีมงานอยากเห็นรูปมาขอในอินบ็อกหรือกดไม่มีนะฮะรูปอยู่ที่วีวีอันนี้ไม่ได้บอให้น้องนะครับแต่ให้น้องเก็บไว้ก่อนรอให้เจ้าของรูปเขาอนุญาตก่อนครับออใช่เรื่องที่คุณวีวีจะมานะฮะก็พูดไปเลยว่า แล้วุยกับคุณวิวไว้แล้วครับบอกตรง น, นี้เลยว่าผมไปติดต่อไปแล้วทถ้าวันนี้พี่พี่มูลิตีฟังอยู่นะไปติดต่อไปแล้วนะชื่อพี่พงศ์เรียบร้อยเราได้ทีมงานที่จะไปตรวจดูที่ให้เราเรียบร้อยครับไปดูมาแล้ววันนี้ <c oughs> ไอ้ข้างหลังนี่นะคือทัางหมไอ้นี่ยมันคุณคิงนะคุณแน่ใจแล้วนะว่าจะไปไกับเจ้าวีวมันโลกจิตนะอุ๊ยพจ๊คตอนนี้ผมคุยอย่างนว่าขนาดผมเล่าฟังเรื่องสำนักส่งที่บอกว่ามัน มีอะไรก็ได้แล้วมีไบ้านผีเต็มไปหมดเขาบอกไปเรื่องหมก็ทำผมเนี่ยโอ้โหเข็งมากสุดยอดชอบะฮะไม่เป็นไรคือก็อยากจะไปก็ไปกันได้เต็มที่เลยนะแต่ผมขอเป็นผู้สังเกตการอยู่ห่างๆสบายใจได้ครับผมบุญลกไอ้พี่บุยเลยผมเออมันจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาไปแล้วมันก็จะเนี่ยมันจะตื่นเต้นอย่างเงี้ยมันจะได้เลิกห้าว้ทิง คือเด็กกาลังห้าวเด็กกาลังห้าวเมืผมมีผมมีไออะไรนะ่งเบาลมของเขาเดี๋ยวผมไปกางให้เขานอนเลยตรงประธานนะไปกางให้นอนเลยได้ฮะคุณคิงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราคงได้เจอกันนะได้ครับโอเคยังไงคืนนี้ขอบคุณคุณคิงนะที่มาปิดท้ายกับเดอะโกส r a ดี o ในค่ำคืนวันนี้นะครับเช่นกันครับพี่อาจารย์โอเคเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ